พุทธธรรมจะบับรับขยายบทเริ่มต้นความนำสิ่งที่ควรเข้าใจก่อนและลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมสมเด็จพระพุท ธ, ธโคส า, าจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห5สําำหรับหัวข้อนี้เป็นบทเริ่มต้นเพื่อปูพื้นความเข้าใจเกี่ยวกับที่มากำเนิดแห่งพุทธธรรมหรือพุทธศาสนาครับซึ่งควรจะรู้และเข้าใจก่อน สำหรับสิ่งอ่านชุดพุทธธรรมที่จำลมผลดีจัดทํานั้นแนะนําให้ฟังเรียงลําดับตามบทจะดีที่สุดโดยเริ่มจากบทเริ่มต้นนี้ก่อนตามด้วยบทนําสู่พุทธธรรมและพุทธธรรมเฉพาะภาพรวมก่อนเป็นบทที่หนึ่งคือเรื่องขันห้าไปจนจบนะครับหนังสือพุทธธรรมเป็นการสรุปคําสอนในพระพุทธศาสนาประมวลไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งคําอธิบายในเชิงความหมายและคําศัพท์คําแปลความหมายแฝงที่มาต่างๆ เป็นเนื้อหาธรรมะโดยตรงที่ควรรู้เข้าใจและควรอ่านหรือฟังให้ได้สักครั้งในชีวิตนะครับสําหรับผู้เริ่มศึกษาอาจจะรู้สึกยากไปบ้างก็อยากให้อดทนศึกษาโดยฟังผ่านๆด้วยใจที่สบายตรงไหนไม่เข้าใจก็ปล่อยไปก่อนแลกลับมาฟังซ้ําที่หลังหรือนําจุดที่สงสัยไปสืบค้นต่อภายหลังการศึกษาทฤษฎีให้เข้าใจเปรียบเสมือนการเดินทางที่ควรรู้แผนที่ให้ถูกต้องก่อนไม่อย่างนั้น อาจเดินหลงทางไปไกลแก้ไขไม่ทันและส่งความเสียาหายให้กับชีวิตในอีกหลายภพชาติข้างหน้าทั้งที่คิดดีทำดีตั้งใจดีมาแต่ต้นนะครั บ, บการฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันได้ด้วยการเจริญสติหรือทำสมาธิไปด้วยขณะฟังอย่างน้อยก็ควรรู้เข้าใจหลักสำคัญอันเป็นแก่นแท้ในพุทธศาสนาให้เข้าใจทั้งเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นเรายังมีอีกจานวนมาก ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงแต่พอไม่ได้ศึกษาทฤษฎีโดยละเอียดการถ่ายทอดการใช้สับก็อาจจะผิดเพี้ยนไปทำให้มีผลต่อการเผยแร่ธรรมในภาพรวมได้นะครับอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีจัดทาโดยครอบครัวอินทรัดและครอบครัวสันตสว่างขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสับผาทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง พุทธธรรมหรือกฎธรรมชาติและคุณค่าสำหรับชีวิตความนำสิ่งที่ควรเข้าใจก่อนพระพุทธศาสนานั้นเมื่อมองในทัศนะของคนสมัยใหม่มาเกิดปัญหาขึ้น บ, บ่อยๆว่าเป็นศาสนาคือ Religion หรือเป็นปรชัชญาคือฟ l o s o p ฟ y หรือว่าเป็นเพียงวิธีกรองชีวิตแบบหนึง่งคือ A Way of Life เมื่อปัญหาเจนนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ต้องถกเถียงหรือแสดงเหตุผลทาให้เรื่องยืดยาวออกไปอีกทั้งมติในเรื่องนี้ก็แตกต่างไม่ลงเป็นแบบเดียวกันทำให้เป็นเรื่องฟั่นเฟือไม่มีที่สิ้นสุดในที่นี้แม้จะเขียนเรื่องพุทธธรรมไว้ในหมวดปรชัชญาคือเมื่อแรกเขียนได้รับอารัธนาให้เรียบเรียงพุทธธรรมเป็นบทความร่วมในหมวดปรชัชญา แม้จะเขียนเรื่องพุทธธรรมไว้ในหมวดปรชัชญาก็จะไม่พิจารณาปัญหานี้เลยมุ่งแสดงแต่ในขอบเขตว่าพุทธธรรมสอนว่าอย่างไรมีเนื้อหา ย, อย่างไรเท่านั้นส่วนที่ว่าพุทธธรรมจะเป็นปรัชญาหรือไม่ให้เป็นเรื่องของปรัชญาเองที่จะมีขอบเขตครอบคลุมหรือสามารถตีความม่ครอบคลุมถึงพุทธธรรมได้หรือไม่โดยที่ว่าพุทธธรรมก็คือพุทธธรรมและยังคงเป็นพุทธธรรมอยู่นั่นเอง มีข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวว่าหลักการคือคำสอนใดก็ตามที่เป็นเพียงการคิดค้นหาเหตุผลในเรื่องความจริงเพื่อสนองความต้องการทางปัญญาโดยมิได้มุ่งหมายและมิได้แสดงแนวทางสำหรับพระพฤทปฏิบัติในชีวิตจริงอันนั้นให้ถือว่าไม่ใช่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถือว่าเป็นคาสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าซึ่งในที่นี้เรียกว่าพุทธธรรม การประมวลคำสอนในพระพุทธศาสนามาวางเป็นข้อสรุปลงว่าพุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงมุ่งหมายแท้จริงเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องยากแม้จะยกข้อความในคำพีซึ่งถือกันว่าเป็นพุทธพจน์มาอ้างเพราะคำสอนในคำภีมีปริมาณมากมายมีแง่ด้านระดับความลึกซึ้งต่างต่างกันและขึ้นต่อการตีความของบุคคลโดยใช้สติปัญญา และความสุจริตใจหรือไม่เพียงไรด้วยในบางกรณีผู้ถือความเห็นต่างกันสองฝ่ายอาจยกข้อความในคำพีมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนได้ด้วยกันทั้งคู่การวินิจฉัยความจริงขึ้นต่อความแม่นยำในการจับสาระสำคัญและความกลมกลืนสอดคล้องแห่งหลักการและหลักฐานที่แสดงทั้งหมดโดยหน่วยรวมเป็นข้อสาคัญแม้กระนั้น เรื่องที่แสดงและหลักฐานต่างๆก็มักไม่กว้างขวางครอบคลุมพอจึงหนีไม่พ้นจะอิทธิพลความเห็นและความเข้าใจพื้นฐานต่อพุทธธรรมของบุคคลผู้แสดงนั้นในเรื่องนี้เห็นว่ายังมีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ควรนํามาเป็นเครื่องวินิจฉัยด้วยคือความเป็นไปในพระชนชีพและพระปฏิปทาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นแหล่งหรือที่มาของคําสอนเอง ราพุทธเจริยารวมทั้งบรรดาพุทธกิจคือสิ่งที่พระองค์ผู้ทรงสอนได้กระทาในบางกรณีอาแสดงพุทธประสงค์ที่แท้จริงได้ดีหรือชัดกว่าคำสอนที่ปรากฏในคำภีอย่างน้อยก็เป็นเครื่องประกอบความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงหากจะมีผู้ติงว่าองค์ประกอบข้อนี้ก็ได้จากคำภีต่างๆเช่นเดียวกับคาสอนและขึ้นต่อการตีความได้เหมือนกัน แม้กระนั้นก็ยังต้องยอมรับอยู่นั่นเองว่าเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาที่มีประโยชน์มากจากหลักฐานต่างๆทางฝ่ายคำภีและประวัติศาสตร์พอจะวาดภาพเหตุการณ์และสภาพสังคมครั้งพุทธกาลได้คร่าวๆดังนี้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในชมพูทวีปเมื่อประมาณ 2,600 ปีล่วงมาแล้วทรงประสูติในวันณกษัต พระนามเดิมว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธนะผู้ครองแคว้นสากยะซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของชุมพูทวีปติดเชิงเขาฮิมาลัยในฐานะโอรสกษัตริย์และเป็นความหวังของราชตระกูลพระองค์จึงได้รับการปลนปลื้ด้วยโลกิยสุขต่างๆอย่างเพียบพร้อมและได้ทรงสวยความสุขอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานถึง29ปีทรงมีทั้งพระชายาและพระโอรส รั้งนั้นในทางการเมืองรัฐบางรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตยกําลังเรืองอํานาจขึ้นและกําลังพยายามทำสงครามแพ่ขยายอํานาจและอาณาเขตออกไปรัฐหลายรัฐโดยเฉพาะที่ปกครองแบบสามัคคีธรรมคือแบบสาธารณรัฐกําลังเสริอมอํานาจลงไปเรื่อยๆบางรัฐก็ถูกปราบปรามเข้าในรัฐอื่นแล้วบางรัฐก็ยังเข้มแข็ง ก็อยู่ในสภาพตึงเครียดสงครามอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้แม้รัฐใหญ่ที่เรืองอำนาจก็มีการขัดแย้งรบพุ่งกันบ่อยในทางเศรษฐกิจการค้าขายกำลังขยายตัวกว้างขวางขึ้นเกิดมีคนประเภทหนึ่งมีอิทธิพลมากขึ้นในสังคมคือพวกเศรษฐีซึ่งมีสิทธิมีเกียรติยศและอิทธิพลมากขึ้นแม้ในราชสำนัก ในทางสังคมคนแบ่งเป็นสี่วันณนะตามหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ์มีสิทธิเกียรติฐานะทางสังคมและอาชีพการงานแตกต่างกันไปตามวันณะของตนของตนแม้นักประวัติศาสตร์ฝ่ายฮินดูจะถือว่าการถือวันณะในยุคนั้นยังไม่เกร่งครัดนักแต่อย่างน้อยคนวันนะสูตรก็ไม่มีสิทธิทจะฟังหรือกล่าวความในพระเวท อันเป็นคำภีศักดิ์สิทธิ์ของรามได้ทั้งความจำกัดปิดกั้นนั้นก็เป็นไปในทางที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้นดังที่ต่อมามีกำหนดโทษแก่คนวันนาสูตรที่เรียนพระเวทอย่างรุนแรงตึงผ่าร่างกายเป็นสองซี่และคนจันทานหรือพวกนอกวันนะก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาเลยการกำหนดวันนะก็ใช้ชาติกาเนิดเป็นเครื่องแบ่งแยกโดยเฉพาะพวกราม ได้พยายามยกตนขึ้นถือตัวว่าเป็นวั น, นะสูงสุดส่วนในทางศาสนาพวกพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้รักษาศาสนาพราหมณ์สืบต่อกันมาก็ได้พัฒนาคำสอนในด้านลัทธิพิธีกรรมต่างๆให้ลึกลับซับซ้อนใหญ่โตโออาขึ้นพร้อมกับที่ไร้เหตุผลลงโดยลำดับการที่ทำดังนี้ มีใช่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาเท่านั้นแต่มุ่งสนองความต้องการของผู้มีอำนาจที่จะแสดงเกียรติยศความยิ่งใหญ่ของตนประการหนึ่งและด้วยมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้จากผู้มีอำนาจเหล่านั้นอย่างหนึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ล้วนชักจูงให้คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้นระหวังผลตอบแทนเป็นทรัพย์สมบัติและกามาสุขต่างๆพร้อมกันนี้ ก, ก่อความเดือดร้อนแก่คนชั้นต่ำพวกทาสกรรมกรที่ต้องทำงานหนักและการทารุณต่อสัตว์ด้วยการฆ่าบูชายัครังและเป็นจำนวนมากๆในเวลาเดียวกันนี้รามจำนวนหนึ่งได้คิดว่าพิธีกรรมต่างๆไม่สามารถให้ตนประสบชีวิตนิรันดรได้จึงได้เริ่มคิดเอาจริงเอาจังกับปัญหาเรื่องชีวิตนิรันดรและหนทางที่จะนาไปสู่สภาวะเช่นนั้น ถึงกับยอมปลีกตัวออกจากสังคมไปคิดค้นสแสวงคำตอบอาศัยความวิเวกอยู่ในป่าคำสอนของศาสนาพราหมณ์ในยุคนี้ซึ่งเรียกว่ายุคอุ ป, ปนิศัตตก็มีความขัดแย้งกันเองมากบางส่วนอธิบายเพิ่มเติมเรื่องพิธีกรรมต่างๆบางส่วนกลับประนามพิธีกรรมเหล่านั้นและเนเรื่องชีวิตนิรันดรก็มีความเห็นต่างๆกัน มีคำสอนเรื่องอตาตมันแบบต่างๆที่ขัดกันจนถึงขั้นสุดท้ายที่ว่าอตาตมันคือพรหมันเป็นที่มาและแทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างมีภาวะที่อธิบายไม่ได้อย่างที่เรียกว่าเนติซึ่งแปลว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นเป็นจุดหมายสูงสุดของการบำเพ็ญเพียรทางศาสนาและพยายามแสดงความหมายโตอตอบปัญหา กับเรื่องสภาพของสภาวะเช่นนี้พร้อมกับที่หวงแหนความรู้เหล่านี้ไว้ในหมู่พวกตนพร้อมกันนั้นนักบวชอีกพวกหนึ่งซึ่งเบื่อหน่ายต่อความไร้สาระของชีวิตในโลกนี้ก็ได้ไปบำเพ็ญเพียรแบบต่างๆตามวิธีการของพวกตนพวกตนด้วยหวังว่าจะได้พบชีวิตอมตะ หรือผลสำเร็จอันวิเศษอัศจรรย์ต่างๆที่ตนหวังบางก็บำเพ็ญตบะทรมานตนด้วยประการต่างๆตั้งต้นแต่อดอาหารไปจนถึงการทรมานร่างกายแบบแปลกๆที่คนธรรมดาคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้บางก็บำเพ็ญสมาธิได้ฌานจนถึงรูปสมาบัติอรูปสมาบัติบางก็บำเพ็ญฌานจนเชี่ยวฌานชำนาดถึงขั้นที่กล่าวว่า ทำปฏิหารได้ต่างๆอีกด้านหนึ่งนักบวชที่เรียกว่าสมณะอีกหลายหมู่หลายพวกซึ่งได้สละเย่าเรือนออกบวชแสวงหาจุดหมายชีวิตเช่นเดียวกันก็ได้เรร่อนท่องเที่ยวไปในบ้านเมืองต่างๆถกเถียงถามปัญหากันบ้างตั้งตนเป็นศาสดาสแสดงทัศนะของตนต่างๆกันหลายแบบหลายอย่าง การเพียนสแสวงหาจุดหมายและเผยพระแสดงแข่งลัทธิกันนี้ได้ดำเนินไปอย่างแข็งขันเข้มข้นจนปรากฏว่าเกิดมีลัทธิต่างๆขึ้นเปน็นอันมากเฉพาะที่เด่นๆซึ่งกล่าวถึงบ่อยในคำภีพุทธศาสนาถึงหลัทธิและตามหลักฐานในคำภีว่าลัทธิทั้งฝ่ายสมณะและฝ่ายพราหม์แยกเป็นทิฏฐิหรือทฤษฎีได้ถึง62อย่าง สภาพเช่นนี้จะสรุปสั้นๆคงได้ความว่ายุคนั้นคนพวกหนึ่งกำลังรุ่งเรืองขึ้นด้วยโผะและอำนาจพากันเพลิดเพลินมัวเมาแสวงหาทรัพย์สมบัติและความสุขทางวัตถุต่างพร้อมกับที่คนหลายพวกกำลังมีฐานะและความเป็นอยู่ด้อยลงด้อยลงทุกทีไม่ค่อยได้รับความเหลียวแลส่วนคนอีกพวกหนึ่งก็ปลีกตัวออกไเิเศษจากสังคมทีเดียว ไปมุ่งมั่นค้นหาความจริงในทางปรัชญาโดยมิได้ใส่ใจสภาพสังคมเช่นเดียวกันเจ้าชายสิทธัตถะทรงได้รับความปรนปรือด้วยหลกยียุขอยู่เป็นเวลานานถึง29ปีและมิใจเพียงปรนปรือเอาใจเท่านั้นยังได้ทรงถูกปิดกั้นไม่ให้พบเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่รักคนด้วยความทุกข์ของสามัญชนทั้งหลายด้วย แต่สภาพเช่นนี้ไม่สามารถถูกปิดบังจากพระองค์ได้เรื่อยไปปัญหาเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆของมนุษย์อันรวมเด่นอยู่ที่ความแก่เจ็บและตายเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ต้องทรงครุ่นคิดแก้ไขปัญหานี้มองสะท้อนออกไปในวงกว้างให้เห็นสภาพสังคมที่คนพวกหนึ่งได้เปรียบกว่า ก็สแสวงแต่โอกาสที่จะหาความสมบูรณ์พูนสุขใส่ตนแข่งขันแย่งชิงเบียดเบียนกันหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในความสุขเหล่านั้นไม่คิดถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของใครดํารงชีวิตอย่างเป็นทาสของวัตถุยามสุขก็ระเริงมัวเมาอยู่ในความคับแคบของจิตใจถึงคราวถูกความทุกข์ครอบงำก็ลุ่มหลงไร้สติเหี่ยวแห้งคับแค้นกับตัวเอง แล้วก็แก่เจ็บตายไปอย่างไร้แก่นสารฝ่ายคนที่เสียเปรียบไม่มีโอกาสถูกบีบคั้นกดขี่อยู่อย่างแร้นแค้นแล้วก็แก่เจ็บตายไปโดยไร้ความหมายเจ้าชายสิทธัตถะทรงมองเห็นสภาพเช่นนี้แล้วทรงเบื่อหน่ายในสภาพความเป็นอยู่ของพระองค์มองเห็นความสุขความปลนปรื้มเหล่านั้นเป็นของไร้สาระทรงคิดหาทางแก้ไข จะให้มีความสุขที่มั่นคงเป็นแก่นสารส่งคิดแก้ปัญหานี้ไม่ตกและสภาพความเป็นอยู่ของพระองค์ท่ามกลางความเย้ายวนสับสนวุ่นวายเช่นนั้นไม่อำหนยแก่การใช้ความคิดที่ได้ผลในที่สุดทรงมองเห็นภาพพวกสมณะซึ่งเป็นผู้ได้ปลีกตัวจากสังคมไปค้นคว้าหาความจริงต่างๆโดยมีความเป็นอยู่ง่ายๆราศจากกังวล และสะดวกในการแสวงหาความรู้และคิดหาเหตุผลสภาพความเป็นอยู่แบบนี้น่าจะช่วยพระองค์ให้แก้ปัญหานี้ได้และบางทีสมณะพวกนั้นที่ไปคิดค้นหาความจริงกันต่างต่างบางคนอาจมีอะไรบางอย่างที่พระองค์จะเรียนรู้ได้บ้างเมื่อถึงขั้นนี้เจ้าชายสิทธัตถะจึงเสด็จออกบรรพชาอย่างพวกสมณะที่มีอยู่แล้วในสมัยนั้น พระองค์ได้เสด็จจาริกไปศึกษาหาความรู้เท่าที่พวกนักบวชสมัยนั้นจะรู้และปฏิบัติกันส่งศึกษาทั้งวิธีการแบบโยคะส่งบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌาญสมาบัติถึงอรูปสมาบัติชั้นสูงสุดกับทั้งอิทธิปาฏิหารอย่างเชี่ยวชาญและส่งบำเพ็ญตบะทรมานพระองค์ในที่สุดก็ทรงตัดสินได้ว่าวิธีการของพวกนักบวชเหล่านี้ทั้งหมด ไม่สามารถแก้ปัญหาดังที่พระองค์ทรงประสงค์ได้เมื่อเทียบกับชีวิตของพระองค์ก่อนเสด็จออกบรรพชาแล้วก็นับว่าเป็นการดํารงชีวิตอย่างเอียงสุดทั้งสองฝ่ายพระองค์จึงทรงหันมาดําเนินการคิดค้นของพระองค์เองต่อมาจนในที่สุดได้ตรัสรู้ธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบนี้ต่อมาเมื่อทรงนําไปแสดงให้ผู้อื่นฟังทรงเรียกว่า มัเจนธรรมเรียกเต็มว่ามัเจนธรรมเทสนาหรือหลักธรรมสายกลางและทรงเรียกข้อปฏิบัติอันเป็นระบบที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นว่ามัชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางจากความท่อนนี้จะมองเห็นทัศนะตามแนวพุทธธรรมว่า การดำรงชีวิตยอยู่ในสังคมอย่างลุ่มหลงหมกมุ่นลอยตัวไปตามธาตุตามกระแสกิเลสก็ดีการหลีกหนีออกไปโดยสิ้นเชิงไม่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอย่างใดต่อสังคมอยู่อย่างทรมานตนก็ดีนับว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดเอียงสุดด้วยกันทั้งสองอย่างไม่สามารถให้มนุษย์ดํารงชีวิตยังมีความหมายแท้จริงได้เมื่อตรัสรู้แล้วเช่นนี้พระองค์ จึงเสด็จกลับคืนมาทรงเริ่มต้นงานสั่งสอนพุทธธรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมของชาวโลกอย่างหนักแน่นจริงจังและทรงดำเนินงานนี้จนตลอด45ปีแห่งพระชนชีพระยะหลังแม้ไม่พิจารณาเหตุผลด้านอื่นมองเฉพาะในแง่สังคมอย่างเดียวก็จะเห็นว่า พุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมสมัยนั้นจะสำเร็จผลดีที่สุดก็ด้วยการทำงานในบรรพชิตเพศเท่านั้นพระองค์จึงได้ทรงชักจูงคนชั้นสูงจำนวนมากให้ละความมั่งมีสีสุขออกบวชศึกษาเข้าถึงธรรมของพระองค์แล้วร่วมทำงานอย่างเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยการเจ้าริกไปเข้าถึงคนทุกชั้นวรณนะ และทุกทินที่จะไปถึงได้ทำให้บําเพ็ญประโยชน์ได้กว้างขวางอีกประการหนึ่งคณะสงฆ์เองก็เป็นแหล่งแก้ปัญหาสังคมอย่างสำคัญเช่นในข้อว่าทุกคนไม่ว่าเกิดในวันนาใดหรือแม้ตาสุดนอกวันนาก็สมัครเข้าบวชได้มีสิทธิเสมอกันศึกษาเข้าถึงจุดหมายสูงสุดได้เท่ากันหมดทั้งสิน้น ส่วนเศรษฐีเข้ารหาบดีผู้ยังไม่พร้อมที่จะสละได้เต็มที่ก็คงครองเรือนอยู่เป็นอุบาสกอุบาสิ ก, กาคอยช่วยให้กำลังแก่คณะสงฆ์ในการบำเพ็ญกรณียกิจของท่านและนำทรัพย์สมบัติของตนออกบำเพ็ญประโยชน์สงเคราะห์ประชาชนไปด้วยพร้อมกันการบำเพ็ญกรณียกิจทั้งของพระพุทธเจ้าและของพระสาวก มีวัตถุประสงค์และขอบเขตกว้างขวางเพียงใดจะเห็นได้จากพุทธพจน์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทรงสาวกออกประกาศพระศาสนาว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจ้าริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนเป็นอันมากเพื่อเกื้อกาวรุนแก่โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายพุทธธรรมนั้น มีขอบเขตในทางสังคมที่จะให้ใช้ได้และเป็นประโยชน์แก่บุคคลประเภทใดบ้างพึงเห็นได้จากพุทธพจน์ในปาษาธิกะสูตรซึ่งสรุปความได้ว่าพระมจรย์หมายถึงพระศาสนาจะชื่อว่าสำเร็จผลแพร่หลายกว้างขวางเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเป็นปึกแผ่นถึงขั้นที่ว่าเทวดาและมนุษย์ประกาศไว้ดีแล้ว ต่อเมื่อมีองค์ประกอบต่อไปนี้ครบถ้วนคือหนึ่งองค์พระศาสดาเป็นเทระรัตัญยูล่วงการผ่านไว้มาโดยลำดับ 2. มีภิกษุสาวกที่เป็นเทระมีความรู้เชี่ยวชาญได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างดีกล้าวกล้าอาจหารบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะสามารถแสดงธรรมให้เห็นผลจริงจัง การาปราบวาดคือลัทธิที่ขัดแย้งหรือว่าทะาฝ่ายตรงข้ามที่เกิดขึ้นให้สำเร็จเรียบร้อยโดยถูกต้องตามหลักธรรมและมีภิกษุสาวกชั้นปูนกลางและชั้นนวกะที่มีความสามารถเช่นเดียวกันนั้น 3. มมีภิกษุณีสาวิกาชั้นเทรีชั้นปูนกลางและชั้นนวกะที่มีความสามารถเช่นเดียวกันนั้น 4. มีอุบาสกทั้งประเภทพรหมจรีและประเภทครองเรือนสวยกามสุขซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกันนั้น 5. มีอุบาสิ ก, กาทั้งประเภทพรหมจรีและประเภทครองเรือนสวยกามสุขซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกันนั้นเพียงแต่ขาดอุบาสิกาประเภ ท, รรเทครองเรือนเสอย่างเดียวพรหมจันทร์คือพระศาสนา ก็ยังไม่ชื่อว่าเจริญบริบูรณ์เป็นปึกแผ่นดีพึงสังเกตความหมายของพรงมจรรย์ที่ครอบคลุมผู้ครองเรือนด้วยความตอนนี้แสดงว่าพุทธธรรมเป็นคำสอนที่มุ่งสำหรับคนทุกประเภททั้งบรรพชิตและข้ารือหัดคือครอบคลุมสังคมทั้งหมด ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมนั้นสรุปได้สองอย่างคือหนึ่งแสดงหลักความจริงสายกลางที่เรียกว่ามัชเชนธรรมหรือเรียกเต็มว่ามัชเชนธรรมะเทศนาว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธ ตามกระบวนการของธรรมชาตินำมาแสดงเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเท่านั้นไม่ส่งเสริมความพยายามที่จะเข้าถึงสัจธรรมโดวยวิธีถกเถียงสร้างทฤษฎีต่างๆขึ้นและยึดมั่นปกป้องทฤษฎีนั้นๆด้วยการเก่งความจริงทางปรชัชญา 2. แสดงข้อปฏิบัติสายกลางที่เรียกว่า มัจฉิมาปฏิปทาอันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตนผู้รู้เท่าทันชีวิตไม่หลงงมงายมุ่งผลสำเร็จคือความสุขสะอาดสว่างสงบเป็นอิสระที่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี้ในทางปฏิบัติความเป็นสายกลางนี้เป็นไปโดยสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆเช่นสภาพชีวิตของบรรพชิตหรือเขาฤหัตเป็นต้น พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำคือกรรมวาทและกิริยาวาทเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามคือวิริยาวาทไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนปรารถนาหรือศาสนาแห่งความห่วงหวังกังวลการสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าส่งมุ่งผลในทางปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงในโลกนี้ แล้วเริ่มแต่บัดนี้ความรู้ในหลักที่เรียกว่ามาชัชฌีนธรรมเทศนาก็ดีการประพฤติตามมรรคาที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาก็ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพและระดับชีวิตอย่างใดสามารถเข้าใจและนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตามสมควรแก่สภาพและระดับชีวิตนั้ น, น, น ถ้าความห่วงยายในเรื่องชีวิตหลังจากโลกนี้มีอยู่ก็จงทำชีวิตดีงามอย่างที่ต้องการนั้นให้เกิดมีเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่บัดนี้จงมั่นใจตนเองว่าจะต้องไปดีโดยไม่ต้องกังวลหรือหวาดหวั่นต่อโลกหน้านั้นเลยทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันโดยธรรมชาติที่จะเข้าถึงผลสาเร็จเหล่านี้แม้ว่าความสามารถจะต่างกัน ทุกคนจึงควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะสร้างผลสำเร็จนั้นตามความสามารถของตนและความสามารถนั้นก็เป็นสิ่งดัดแปลงเพิ่มพูนได้จึงควรให้ทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถของตนอย่างดีที่สุดและแม้ว่าผลสำเร็จที่แท้จริงทุกคนจะต้องทำด้วยตนเองโดยตระหนักในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ แต่ทุกคนก็เป็นอุปกรณ์ในการช่วยตนเองของคนอื่นได้ดังนั้นหลักอั ป, ปมาทธรรมและหลักความมีกัลยาณมิตรจึงเป็นหลักธรรมที่เด่นและเป็นข้อที่เน้นหนักทั้งสองอย่างในฐานะความรับผิด ช, ชอบต่อตนเองฝ่ายหนึ่งกับปัจจัยภายนอกที่จะช่วยเสริมอีกฝ่ายหนึ่งหากยกเอาผลงาน และพระจริยาของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นหลักพิจารณาจะมองเห็นแนวทางการบำเพ็ญพุทธกิจที่สาคัญหลายอย่างเช่นส่งพยายามล้มล้างความเชื่อถืองมงายในเรื่องพิธีกรรมอันเลหลวไหลต่างๆโดยเฉพาะการบูชายันโดยการสอนย้ำถึงผลเสียหายและร้ายผลของพิธีกรรมเหล่านั้นการที่ส่งสอนเน้นนักให้ละเลิกการบูชายัน ก็เพราะยันพิธีเหล่านั้นทำให้คนมัวแต่หวังพึ่งอำนาจโดนบันดาลจากภายนอกอย่างหนึ่งทำให้คนกระหายทยานและคิดหมกมุ่นในผลประโยชน์ทางวัตถุเพิ่มพูนความเห็นแก่ตนทำการเบียดเบียนชีวิตโดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์และสัตว์อย่างหนึ่งทำให้คนคิดหวังแต่เรื่องอนาคตจนไม่คิดปรับปรุงปัจจุบันอย่างหนึ่ง และทรงสอนย้ำหลักแห่งทานในสละแบ่งปันและสงเคราะห์กันในสังคมสิ่งต่อไปที่ทรงพยายามสอนหักล้างคือระบบความเชื่อถือเรื่องวันนะที่นำเอาชาติกำเนิดมาเป็นขีดขั้นจำกัดสิทธิ์และโอกาสทั้งในทางสังคมและทางจิตใจของมนุษย์ทรงตั้งคณะสง ที่เปิดรับคนจากทุกวันนห้เข้าสู่ความเสมอภาคกันเหมือนทะเลที่รับน้ำจากแม่น้ำทุกสายกลมกลืนเข้าเป็นอันเดียวกันทำให้เกิดสถาบันวัดซึ่งต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วัฒนธรรมและการศึกษาที่สำคัญยิ่งจนศาสนาฮินดูต้องนำไปจัดตั้งขึ้นบ้างในศาสนาของตนเมื่อหลังพุทธกาลแล้วราวหน0หรือ 1,700 รปี ตามหลักแห่งพุทธธรรมทั้งสตรีและบุรุษสามารถเข้าถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาได้เช่นเดียวกันเมื่อได้ทรงตั้งพิกขุสังฆะขึ้นแล้วหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่งแม้ว่าสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่อือ้อก็ได้ทรงตั้งพิกุณีสังฆะขึ้นโดยทรงกระทํำด้วยความตระหนักพระทยัยถึงความยากลําบากและด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งทีท่จะเตรียมการวางรูป ให้สภาพชีวิตของนักบวชสตรีนี้ดำรงอยู่ด้วยดีในสังคมสมัยนั้นในขณะที่โอกาสของสตรีในการศึกษาทางจิตใจได้ถูกศาสนาพระเวทจำกัดแคบเข้ามาจนเหมือนปิดตายไปแล้วประการต่อไปทรงสั่งสอนพุทธธรรมด้วยภาษาสามัญที่ประชาชนใช้เพื่อให้ทุกคนทุกชั้นทุกระดับการศึกษา ได้รับประโยชน์จากธรรมะนี้ทั่วถึงตรงข้ามกับศาสนาพราหมณ์ที่ยึดความศักดิ์สิทธิ์ของคำภีพระเวทและจำกัดความรู้ชั้นสูงไว้ในวงแคบของพวกตนด้วยวิธีการต่างๆโดยเฉพาะคือการใช้ภาษาเดิมของสันสกฤตซึ่งรู้จำกัดในหมู่พวกตนเป็นสื่อถ่ายทอดและรักษาคำภีแม้ต่อมาจะมีผู้ขออนุญาตพระพุทธเจ้า ให้ยกพุทธพจน์ขึ้นสู่ภาษาพระเวทพระองค์ก็ไม่ส่งอนุญาตส่งยืนยันให้ใช้ภาษาของประชาชนตามเดิมประการต่อไปส่งปฏิเสธโดยสิ้นเชิงที่จะทำเวลาให้สูญเสียไปกับการถกเถียงปัญหาที่เกี่ยวกับการเก่งความจริงทางปรชัชญาซึ่งไม่อาจนำมาพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยวิธีแสดงเหตุผลทางคาพูด ถ้าใครถามปัญหาเช่นนี้พระองค์จะทรงยับยั้งเสียแล้วดึงผู้นั้นกลับมาสู่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะต้องเกี่ยวข้องและปฏิบัติได้ในชีวิตจริงโดยทันทีสิ่งที่จะพึงรู้ได้ด้วยการเห็นทรงให้เขาดูมิใช่ให้ดูสิ่งที่จะต้องเห็นด้วยคําพูดทั้งนี้ทรงสอนพุทธธรรมโดยปริยายต่างๆเป็นอันมากมีคำํำสอนหลายระดับทั้งสําหรับผู้ครองเรือน ผู้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมผู้สละเรือนแล้วทั้งคำสอนเพื่อประโยชน์ทางวัตถุและเพื่อประโยชน์ลึกซึ้งทางจิตใจเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากพุทธธรรมทั่วถึงกันพุทธกิจที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องยืนยันข้อสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธธรรมที่พูดมาแล้วข้างตน้นการที่ต้องทรงสอนพุทธธรรม ทำกลางวัฒนธรรมแบบรามและความเชื่อถือตามลัทธิต่างๆของพวกสมณะสมัยนั้นทําให้พระพุทธเจ้าต้องทรงเกี่ยวข้องกับถ้อยคําทางศาสนาในลัทธิความเชื่อถือเหล่านั้นทั้งโดยการทรงได้รับฟังและการตรัสพาดพิงถึงและโดยที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้พุทธธรรมเผยแพร่ไ ป, ไปเป็นที่เข้าใจและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางในเวลาอนุรวดเร็ว จึงปรากฏว่าพระองค์ทรงมีวิธีการปฏิบัติต่อถ้อยคำทางศาสนาเหล่านี้เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือไม่ทรงนิยมหักล้างความเชื่อถือเดิมในรูปถ้อยคำที่ใช้ทรงหักล้างเฉพาะแต่ตัวความเชื่อถือที่แฝงอยู่เป็นความหมายของถ้อยคำเหล่านั้นเท่านั้นกล่าวคือไม่ทรงใช้วิธีรุนแรงแต่ทรงให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปเองโดยรู้เข้าใจใช้ปัญญา ด้วยการศึกษาพัฒนาคนขึ้นไปโดยในยะนี้พระองค์จึงทรงนำคำบัญญัติที่ใช้กันอยู่ในศาสนาเดิมมาใช้ในความหมายใหม่ตามแนวของพุทธธรรมโดยเฉพาะบ้างทรงสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ถ้อยคำที่ใช้อยู่เดิมบ้างเช่นใช้พรมเป็นชื่อของสัตว์โลกที่เกิดตายประเภทหนึ่งบ้างหมายถึงบิดามารดาบ้าง ทรงเปลี่ยนความเชื่อถือเรื่องกราบไหว้ทิศหกในธรรมชาติมาเป็นการปฏิบัติหน้าที่แล้วรักษาความสัมพันธ์รูปต่างๆในสังคมเปลี่ยนความหมายของการบูชาไฟศักดิ์สิทธิ์สำหรับยันพิธีสามอย่างของพราหมณ์มาเป็นความรับผิด ช, ชอบทางสังคมต่อบุคคลสประเภทเปลี่ยนการตัดสินความเป็นพราหมณ์และอริยะดยชาติกาเนิด มาเป็นตัดสินด้วยการประพฤติปฏิบัติบางครั้งส่งสอนให้ดึงความหมายบางส่วนในคำสอนของศาสนาเดิมมาใช้แต่ในทางที่ดีงามและเป็นประโยชน์คำสอนใดในศาสนาเดิมถูกต้องดีงามก็ทรงรับรองโดยถือความถูกต้องดีงามเป็นของสากลโดยธรรมชาติในกรณีที่หลักความประพฤติปฏิบัติ ในศาสนาเดิมมีความหมายหลายอย่างส่งชี้แจงว่าแง่ใดถูกแง่ใดผิดส่งยอมรับและให้ประพฤติปฏิบัติแต่ในแง่ที่ดีงามถูกต้องบางครั้งสรงสอนว่าความประพฤติปฏิบัติที่ผิดพลาดเสียหายบางอย่างของศาสนาเดิมในสมัยนั้นเป็นความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในศาสนานั้นเองซึ่งในครั้งดั้งเดิมทีเดียว คำสอนของศาสนานั้นก็ดีงามถูกต้องและส่งสอนให้รู้ว่าคำสอนเดิมที่ดีของศาสนานั้นเป็นอย่างไรตัวอย่างในข้อนี้มีเรื่องตบะบักการบูชายันหลักการสงเคราะห์ประชาชนของนักปกครองและเรื่องพราหมณธรรมเป็นต้นข้อความที่กล่าวมานี้นอกจากจะแสดงให้เห็นความใจกว้างของพุทธธรรม และการที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระไทยสอนแต่ความจริงและความดีงามถูกต้องที่เป็นกลางกลางแล้วยังเป็นเรื่องสำหรับเตือนให้รู้จักแยกความหมายของคำบัญญัติทางศาสนาที่ใช้ในพุทธธรรมกับที่ใช้ในศาสนาอื่นๆด้วยอันหนึ่งเมื่อสิ้นยุคขององค์พระศาสดาแล้วเวลาล่วงไปและคาสอนแผ่ไปในถินต่าง ความเข้าใจในพุทธธรรมก็แปรไปจากเดิมและแตกต่างกันไปได้หลายอย่างเพราะผู้ถ่ายทอดต่อมีพื้นความรู้การศึกษาอบรมสติปัญญาแตกต่างกันตีความหมายพุทธธรรมแผกกันไปบ้างนำเอาความรู้ความเชื่อถือเดิมจากลัทธิศา ส, สนาอื่นเข้ามาผสมแทรกแสงบ้างอิงทธิพลศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิน่นเข้าผสมผสานบ้างคำสอนบางแง่เด่นขึ้น บางแง่เลือนรางลงเพราะการย้ำและเลี่ยงความสนใจตามความโน้มเอียงและความถนัดของผู้รักษาคำสอนบ้างทำให้เกิดการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆเช่นที่รู้จักกันบัดนี้เป็นมหายานกับเทรวาสตลอดจนนิกายย่อยๆที่ซอยแยกออกไปสำหรับเทรวาสนั้น แม้จะได้ชื่อว่าเป็นนิกายที่รักษาแบบแผนและคำสอนดั้งเดิมไว้ได้แม่นยำก็มิใช่จะพ้นไปจากความแปลเปลี่ยนได้โดยสิ้นเชิงคำสอนบางส่วนแม้ที่อยู่ในคำภีเองก็ยังเป็นปัญหาที่คนรุ่นปัจจุบันต้องนำมาถกเถียงคิดค้นหาหลักฐานยืนยันหรือปฏิเสธความเป็นของแท้แต่ดั้งเดิมยิ่งความรู้ความเข้าใจที่ประชาชนเชื่อถือและปฏิบัติอยู่ด้วยแล้ว ความคลาดเคลื่อนก็ยิ่งมีได้มากและยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นบางกรณีถึงกับเสมือนเป็นตรงข้ามกับคำสอนเดิมหรือเกือบจะกลายไปเป็นลทัทธิอื่นที่คำสอนเดิมคัดค้านแล้วก็มียกตัวอย่างในประเทศไทยนี้เมื่อพูดถึงคำว่ากรรมความเข้าใจของคนทั่วไปก็จะเพ่งไปยังกาลส่วนอดีตเจาะจงเอาการกระทาในชาติที่ล่วงแล้วหรือชาติก่อนๆบ้าง เพ่งไปยังปรากฏการส่วนผลคือนึกถึงผลที่ปรากฏในปัจจุบันของการกระทำในอดีตบ้างเพ่งไปยังแง่ที่เสียหายเลวร้ายคือการกระทำชั่วฝ่ายเดียวบ้างเพ่งไปยังอำนาจแสดงผลร้ายของการกระทำความชั่วในชาติก่อนบ้างและโดยมากเป็นความเข้าใจตามแง่ต่างๆเหล่านี้รวมๆกันไปทั้งหมด ซึงเมื่อพิจารณาตัดสินตามหลักกรรมที่แท้จริงในพุทธธรรมแล้วจะเห็นได้ชัดว่าเป็นความเข้าใจที่ห่างไกลจากความหมายที่แท้จริงเป็นอันมากแม้ข้อธรรมอื่นๆตลอดจนคำบัญญัติทางธรรมะแต่ละคำแต่ละคำเช่นอารมณ์วิญญาณบารมีสันโดษอุเบกขาอธิษฐานบริกรรมภาวนาวิปัสนา กามโลกีโลกุตระบุญอิจฉาเป็นต้นก็ล้วนมีความหมายพิเศษในความเข้าใจของประชาชนจึงผิดแปลกไปจากความหมายดั้งเดิมในพุทธธรรมโดยตัวความหมายเองบ้างโดยขอบเขตความหมายบ้างมากน้อยต่างกันไปในแต่ละคำนั้นๆในการศึกษาพุทธธรรมจำเป็นต้องแยกความหมาย ในความเข้าใจของประชาชนส่วนที่คลาดเคลื่อนนี้ออกไปต่างหากจึงจะสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้ในการแสดงพุทธธรรมต่อไปนี้ผู้แสดงถือว่าได้พยายามที่จะแสดงตัวพุทธธรรมแท้อย่างที่องค์พระบรมศาสดาทรงสอนและทรงมุ่งหมายในการนี้ได้ตัดความหมายอย่างที่ประชาชนเข้าใจ ออกโดยสิ้นเชิงไม่นำมาพิจารณาเลยเพราะถือว่าเป็นเรื่องข้างปลายไม่จำเป็นต่อการเข้าใจตัวพุทธธรรมที่แท้แต่ประการใดแหล่งสำคัญอันเป็นที่มาของเนื้อหาและความหมายของพุทธธรรมที่จะแสดงต่อไปนี้ได้แก่คำภีพุทธศาสนาซึ่งในที่นี้ถ้าไม่มีกรณีเกี่ยวข้องเป็นพิเศษจะหมายถึงพระไตรปิฎกบาลีอย่างเดียว เราเป็นคำภีที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าเป็นแหล่งรวบรวมรักษาพุทธธรรมที่แม่นยำและสมบูรณ์ที่สุดแม้กระนั้นก็ได้เลือกสรรเอาเฉพาะส่วนที่เห็นว่าเป็นหลักการดั้งเดิมเป็นความหมายแท้จริงมาแสดงโดยยึดเอาหลักความกลมกลืนสอดคล้องกันในหน่วยรวมเป็นหลักและเพื่อให้มั่นใจ ย, ยิ่งขึ้นจึงได้นำพุทธจริยาและพุทธกิจที่ได้ส่งบัเพลมา ประกอบการพิจารณาตัดสินแนวทางและขอบเขตของพุทธธรรมด้วยเมื่อเดหลักการพิจารณาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับการแสดงแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถแสดงสาระแห่งพุทธธรรมได้ใกลเคียงตัวแท้เป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามในขั้นพื้นฐานการแสดงนี้ก็ยังต้องขึ้นกับกำลังสติปัญญาของผู้แสดง และความโน้มเอียงบางอย่างที่ผู้แสดงเองอาจาไม่รู้ตัวอยู่นั่นเองฉะนั้นจึงขอให้ถือว่าเป็นความพยายามครั้งหนึ่งที่จะแสดงพุทธธรรมให้ถูกต้องที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและมุ่งหมายโดยอาศัยวิธีการและหลักการแสดงพร้อมทั้งหลักฐานต่างๆที่เชื่อว่าให้ความมั่นใจมากที่สุด ถ้าแยกพุทธธรรมออกเป็นสองส่วนคือสัจธรรมส่วนหนึ่งกับจริยธรรมส่วนหนึ่งแล้วกำหนดความหมายขึ้นใช้ในที่นี้โดยเฉพาะโดยกำหนดให้สัจธรรมเป็นส่วนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวจริงและให้จริยธรรมเป็นฝ่ายข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหมดก็จะเห็นว่าสัจธรรมในพุทธศาสนา ย่อมหมายถึงคำสอนเกี่ยวกับสภาวะของสิ่งทั้งหลายหรือธรรมชาติและความเป็นไปโดยธรรมดาของสิ่งทั้งหลายหรือกฎธรรมชาตินั่นเองส่วนจริยธรรมก็หมายถึงการถือเอาประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจในสภาพและความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายหรือการรู้กฎธรรมชาติแล้วนำมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ อีกนายยะหนึ่งสัจธรรมคือธรรมชาติและกฎธรรมดาจะเรียธรรมคือความรู้ในการประยุกต์สัจธรรมหลักการทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตัวการนอกเหนือธรรมชาติเช่นพระผู้สร้างเป็นต้นแต่ประการใดเลยด้วยเหตุนี้ในการแสดงพุทธธรรม เพื่อความรู้ความเข้าใจที่มุ่งในแนวทฤษฎีคือมุ่งให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีขอบเขตแค่ไหนเพียงไรจึงควรแสดงควบคู่กันไปทั้งสัจธรรมและจริยธรรมคือแสดงหลักคำสอนในแง่สภาวะและชี้ถึงคุณค่าที่จะนำมาใช้ในทางปฏิบัติไว้ด้วยให้เสร็จไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างดังนั้น บทตอนทั้งหลายในหนังสือนี้ที่ว่าด้วยธรรมะซึ่งเป็นฝ่ายสภาวะจึงมีส่วนที่กล่าวถึงคุณค่าทางจริยธรรมประกอบไว้ด้วยเช่นเมื่อกล่าวถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตเสร็จแล้วก็กล่าวถึงความหมายและคุณค่าในทางปฏิบัติของความรู้ความเข้าใจนั้นต่อท้ายด้วยแม้มองอย่างกว้างตลอดทั้งเล่มก็ดาเนินตามแนวนี้เช่นเดียวกัน กล่าวคือภาคแรกทั้งหมดแสดงธรรมะฝ่ายสภาวะและตัวกฎของธรรมชาติเรียกว่ามัชเณนธรร ม, มเทศนาภาคหลังกล่าวถึงความรู้ภาคปฏิบัติคือการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะและตัวกฎนั้นไปใช้ประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตจริงเรียกว่า มัจจิมาปฏิปทาอย่างไรก็ดีถ้ามองโดยถือเอาหลักธรรมสำคัญเป็นแม่บทลำดับเนื้อหาของหนังสือนี้ก็สอดคล้องกับวิธีแสดงแบบอริยสัจกล่าวคือการแสดงแบบอริยสัจนั้นมุ่งผลในทางปฏิบัติเป็นสำคัญจึงเริ่มด้วยปัญหาที่ปรากฏโดยเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา และสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญหานั้นก่อนแล้วค้นหาสาเหตุกาหนดจุดหมายและวางวิธีแก้ไขแม้ในหนังสือนี้ก็เริ่มด้วยสภาวะของชีวิตที่เป็นปัญหาแล้วสืบสาวความรู้เกี่ยวกับเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาบรรยายถึงจุดหมายและชี้แนะวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลุถึงจุดหมายนั้น ต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยในยะนี้แม้ว่าดูผิวเผินจะมองเห็นเป็นเสมือนธรรมบรรยายแนวใหม่แต่ในสาระสำคัญยังคงดำเนินตามเทศนาวิธีที่เป็นของดั้งเดิมนั่นเองอันหนึ่งในบางตอนของข้อเขียนนี้ได้แสดงความหมายของภาษาอังกฤษของศัพทธรรมะที่สำคัญสำคัญไว้ด้วย โดยเหตุผลอย่างน้อยสามอย่างคือประการแรกในภาษาไทยปัจจุบันได้มีผู้นำศัพท์ธรรมบังคัมาใช้เป็นศัพท์บัญญัติสำหรับคำในภาษาอังกฤษที่มีความหมายไม่ตรงกันกับศัพท์ธรรมะนั้นอันอาจทำให้ความเข้าใจคล้ายเคลื่อนได้จึงนำความหมายในภาษาอังกฤษมาแสดงควบไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ผู้อ่านถือไปตามความหมายที่มีผู้บัญญัติใช้ใหม่ในภาษาไทย ประการที่สองจำต้องยอมรับความจริงว่านักศึกษาวิชาการสมัยใหม่จำนวนไม่น้อยเข้าใจความหมายในภาษาไทยได้ชัดเจนขึ้นในเมื่อเห็นคำภาษาอังกฤษควบอยู่ด้วยประการที่สตำราภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้มีจำนวนมากการรู้ความหมายศัพท์ธรรมะ ที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษย่อมเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่ต้องการค้นคว้าอย่างกว้างขวางต่อไป